ท่านสาธารณชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงเขตของสวรรค์ชัานดาวดึงความจริงการบันทึกวันนี้เป็นการบันทึกวันที่ยี่สิบธันวาคมสองพหอยสาเอดแต่ว่ารายการที่พูดรายการของวันที่ยี่สิบธันวาคมขอโทษ เป็นรายการขขงวันที่18ธันวาคม2501และภาพนิมิตที่เห็นเห็นเมื่อวันที่18ธันวาคมก็ปรากฏขอทบตัวนิดหนึ่งว่ามีนางฟ้ากลุ่มหนึ่งที่นิมิตอาจะมานิมิตไปว่าไปสนักของท่านปัญญาสิกขาที่ประบุ ไปต า, ตามคำแนะนำของท่านนายบัญชีใหญ่เมืองนรกซึ่งเด้บอกว่าพระที่เสวยที่ตายมาแล้วไม่มีในบัญชีนรกพ่อต้องการอยากจะทราบจริงๆว่าอยู่ที่ไหนให้ไปถามปัญญสิกาเทพบุตรซึ่งเป็นเลขานุ ก, กาละ น, า น, นาบัญชีของสวรรค์ชั้นดาวดิง ตามนิมิตนั้นพอพูดจบภาพก็ลอยปึ๊บเบียรมันก็ถึงในเมื่อถึงแล้วก็ถามท่านในปัญญสิกขาเทพบุตรว่าเวลานี้คนชื่อสวัยที่เป็นพระตายมาเมื่อวันที่สิบสองธันวาคม 2500, สองพันห้าร้อยสมที่เอ็ดมีในบัญชีสวรรค์ไหมท่านก็ชี้ให้ดูเทพบุตรองหนึ่ง ว่าคนเที่ยสวิยคือเทพบบทมุของนี้ตามนิมิตเป็นอย่างนี้นะบรรดาท่านพู้ตุนบริษัทธ์คำว่านิมิตเป็นภาพที่ปรายกฎกในขณะที่จิตเป็นสมาธิเป็นภาพที่ไม่สามารถจะบังคับได้ในเมื่อบังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพนิมิตจะเป็นยังไงก็ว่าตามนิมิต จะผิดหรือจะถูกก็เป็นเรื่องของนิมิตต่อมาก็มาพบนางฟ้าชุดหนึ่งไปคนด้วยกันเธอมีรูปร่างหน้าตาสั ส, สวยแต่ด้ว่านางฟ้าไปคนนี้มีลักษณะแปลกจุดหนึ่งนั่นคือเบื้องหลังออกไปมีภาพนางยักษนลีตัวใหญ่มาก ลอยเบื้องหลังจึงได้ถามท่านปัญจสิกขาที่ประว่าบนสวรรค์ทั้นดาวดึงตามที่เคยมาแล้วไม่ปรากฏภาพอย่างนี้อยากจะถามว่าภาพประเภทนี้มีบนสวรรค์ทั้นดาวดึงเป็นประจําหรือท่านปัญจสิกขาที่ประก็บอกว่าไม่มีเป็นประจําและไม่เคยมีมาก่อน <c oughs> ภาพอย่างนี้ที่ปรากฏก็ปรากฏเฉพาะเมื่อท่านขึ้นมาแล้วก็หญิงผู้นี้มานั่งภาพเคยข้างหลังนี้สนแสดงว่าหญิงไปคนนี้เวลานี้เป็นนางฟ้าคือเป็นนางฟ้าของท่านดาวดิ้งบ้างเป็นนางฟ้าของชั้นยามาบ้างแต่ว่าทุกคนมีบาปอยู่เบื้องหลัง ใน่นก็หมายความว่าในระยะต้นทำบุญบ้างทำบาปบ้างบาปก็มีกำลังดีพอสมควรแต่้ว่าเวลาใกล้จะตายทำบุญจิตยอมรับนัดถือสิ่งที่เป็นอุสลในขณะจะตายบุญก็พามาสวรรค์ก่อนทีนั้นภาพที่รายกดขึ้นนี้จึงสแสดงออกว่าเขาบอกว่าหญิงทั้งแปดคนนี่ ยังมีบาปคอยอยู่เบื้องหลังถ้าจติจะนางฟ้ามาไร่ไม่บำเพ็ญกุศลต่อบาปก็จะดึงลงอบายภูมิทันทีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดไว้ด้วยรวบรวมกำลังใจไว้เพื่อความดีวันนี้ก็อยากขอคุยรายการเข้ามที่18ธันวาคมต่อไปอยเหลืออยู่ ในขณะที่คุยกับนางนางฟ้าปูทะเลเสร็จก็มีนางฟ้าคนที่สองเลื่อนเข้ามานางฟ้าปูทะเลถอยออกไปเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มคนนี้มองหน้าแล้วก็ยิ้มเหมือนกัน <c oughs> ถามเธอว่าเธอเคยรู้จักฉันหรือเธอก็ตอบง่ายๆว่าตัวต่อตัว ไม่เคยรู้จักกันนั่นก็หมายความว่าในสมัยที่มีชีวิตยอยู่ไม่เคยรู้จักกันแต่ถ้าว่าเคยเห็นภาพถ่ายตามหนังสือพิมพ์บ้างเคยดูโทรทัศน์พบที่เทศโทรทัศน์บ้างจำได้แล้วก็ได้ยินเชื่อเสียงอยู่เสมอคนก็พูดให้ฟังแต่เวลาที่จะไปหาจะไปคุยด้วยไม่มีเพราะมีธุระมาก ถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นทางฟ้าขัสวรรค์ชั้นไหนเธอก็ตอบว่าเป็นทางฟ้าขั้สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ถามเธอว่าวิมานของเธอสวยไหมเธอก็ตอบว่าวิมานสวยสวยกว่าบ้านที่เป็นบ้านที่เมืองมนุษย์มากถามว่าบ้านที่เมืองมนุษย์ของเธอเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึก เธอก็ตอบว่าตอนแรกๆเดิมทีเดียวเป็นบ้านไม้ภายหลังเป็นบ้านตึกตึกสร้างเองวม่ได้เช่าเขาแต่ว่าเป็นตึกย่อมๆสามห้องนอนพออยู่กระวังพ่อแม่และลูกเมื่อถามว่าเธอมีอาชีพอะไรเธอก็ตอบว่าเดิมทีเดียวเป็นคนทําปลา คนปลาจากเรือตังกเกลืมบอกบรรดาท่านพุทธบริษัทไปว่าเรื่องนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าปราทูจำไม่ดีนะมันคนที่แล้วเป็นนางฟ้าปู่ทะเลคนนี้เป็นนางฟ้าปราทูเธอก็บอกว่าตามปกติเธอเป็นลูกจ้างเขาคนปลาจากเรือตังเก แล้วก็แยกส่วนของปลาปลาที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือปลาทูเพราะเรือตังเกจะได้ปลาทูมามากถ้าวันไหนได้ปลาทูมามากเจ้าของทาการค้าเขาก็แบ่งให้มากวันไหนได้น้อยเขาก็แบ่งให้น้อยแต่ค่าจ้างแรงวันแรงงานจะมีอยู่ สำหรับปลานี่กเขาแจกให้คนงานเพื่อไปกินที่บ้านตามสงควรเธอก็บอกว่าชีวิตของเธอนอกจากค่าแรงงานก็ได้สายปลาทูและปลาทะเลบางส่วนช่วยให้ทรงชีวิตได้นอกจากจะรักจ้างคนแล้วไม่ได้ปลามาต่อมาก็มาดำหนิว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายมีเงินน้อย แต่ละวันนายจ้างก็เลี้ยงแต่ว่าอาหารบางส่วนอาจจะไม่เป็นที่พอใจของลูกจ้างเม่กินซ้ำๆทักทากก็มีการซื้อพิเศษกินกันในตอนบ่ายนอกเวลาที่เขาเลี้ยงเธอพยายามทำข้าวแกงและอาหารบางส่วนสิ่งใดที่คนงานชอบก็ทำสิ่งนั้น ทำแล้วให้ลูกสาวหาไปขายเธอทำงานลักจับจ้างลูกสาวอยู่บ้านหาบเอาไปขายกระดวงความาการขายขายอาหารหาบนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมากเป็นปัจจัยให้ก่อฐานะได้ดีวิธีขายของเธอก็หนึ่งตักข้าวให้มาก สองแกงเลือกลับให้สมคนแก่ข้าวและกับราการที่สามหนึ่งจานและค้าถูกกว่าที่อื่นหนึ่งบาทข้าวขุงเธอก็ร้อนเสมอทงข้าวใส่หม้อไปแต่ว่าทำซึ้งไว้นึ่งนึ่งข้าวให้ร้อนแกงก็ทำเตานึ่งนึ่งให้ร้อน ทำอย่างนี้เป็นทูกทื้นที่ถูกใจของคนกินมากต่อมาเมื่อผีมือไปที่ชอบใจของคนในโรงงานก็เคยย้ายงานออกไปตอนเช้าตรู่ก็จ้างคนสองสามคน <c oughs> มาช่วยหาและช่วยตักเอาไปขายที่ท่าเรือเขาเรือเข้ามาจอด เริ่มมีมาจอดคนขึ้นหลงมากตอนเช้าโจ้คนหิวเธอไปขายที่ไหนก็ททำแบบนั้นขายราคาถูกหนึ่งบาทและข้าวก็มากแตกงก็มากคนก็ชอบใจเป็นน้ำว่าเป็นเหตุให้เธอได้สตางค์มากกำไรน้อยก็จริงแต่คนคนจองมากถ้าเธอยังไม่ไปส่วนใหญ่เขาจะไม่ซื้อคนอื่นกิน จึงกว่าว่าถ้าวันไหนสายแล้วเธอไม่ไปจริงๆเขาจึงจะซื้อคนอื่นกินการค้าแบบนี้เป็นเหตุให้เธอ เ, ธอเกิดความ ร, ำร่ำรวยเนี่ยก็ถามเธอว่าการขายแบบนั้นมันได้กำไรหรือไม่ขาดทุนหรือเธอก็บอกว่ากำไรจริงๆเกือบห้าสิบเกือบห้า <c> ส <oughs> ิบเปรเซ็นเนี่ว่าการขายเข้าแกงกำไรมาก แต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เสียค่าเช่าที่ไม่ได้เสียค่าเช้าห้องเป็นบ้านของตนเองก็มีกำไรตอนนี้ด้วยคนงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างคนงานเขา่าเพื่อสามคนตอนเช่าขายที่ท่าเรือตอนบ่ายๆจะตอนหลังจากเที่ยงจากเที่ยงไปแล้วก็ขายตามโรงงานแยกกันขายเป็นเหตุทีงได้สตังค์มาก เราถามเธอว่าเธอมาในกลุ่มของภาพนางยักษิศีติดตามมาเธอมีบาปอะไรหรือเธอก็ตอบว่าถ้าถามเรื่องบาปจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างอย่างการฆ่าสัตว์ก็เคยฆ่าปลาก็เคยฆ่ามดก็เคยฆ่ายุงก็เคยฆ่าฆ่าหลายอย่างแล้วฆ่าไม่หนักนัก แต่ถึงง่ายก็บาปสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดติดตามมาก็คือว่าจิตใจพอใจในปลาพอใจในปลาที่เจ้านายเขาได้มาจากเรือตังเกวันไหนถ้าเรือตังเกอนำปลามามากวันนั้นก็ดีใจวันไหนได้ปลามาัน้อยก็ดีใจน้อยหน่อนก็ใจเสียไปนิดหนึ่ง ี่ดีใจมากเสียใจก็เพราะว่าถ้าวันไหนเขาได้ปลามากได้แบ่งมากวันไหนได้ปลาน้อยเขาเขาแจกให้น้อยการที่เขาแจกปลาให้ไม่ต้องมีการลงทุนในการซื้อปลาก็ถามเธอว่าการดีใจกับการไม่ดีใจเนื่องจาเขาได้ปลามากปลาน้ยก็ไม่น่าจะเป็นบาปเท่ก็ตอบว่ามันต้องบาป เ็ยินดีในการหามาได้ของเขานั่นคือหาล่าชีวิตเขาปลามาก็ถามว่ายินดีเฉยๆมันจะบากได้ยังไงเธอก็แสนฉลาดว่าถามเธอแล้วเธอก็ยิ้มเธอก็ตอบว่าเป็นคุณเจ้าคงจะลืมไปว่าคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีศรัพย์จะทำบุญโมทนา ย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าเจ้าของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าเจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าววดีเจ้าน่ายคาุณพระนุรธุธเดในที่สุด ลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบจีพุทธเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุดตเป็นพระรหันเจ้านายที่เกิดมาเป็นลูกของเพื่อนก็เป็นพระรหันด้วยอย่างนี้พราะอาศัยปัตตานโมทนาใหม่ก็สําหรับฉันนี่โมทนารับเจ้านายครับทุกวัน ยินดีทุกวันยินร้ายทุกวันยินร้ายก็ไม่ได้ามากยินร้ายแต่เพียงว่าได้น้อยไปหน่อยวันนี้ได้ปลาไม่ถึงถังวันนี้ได้ปลาหนึง่งถังที่ก็แบ่งให้ท่านได้มากจริงๆเขาให้ถึงถังความจริงเงินเดือนก็ได้อาหารเขาก็เลี้ยงแถมก็ได้ปลาเป็นวิเศษก็ดีใจ แต้ตัวดีใจในการทำบาปของเขาก็เลยพลอยมีบาปด้วยมันดีใจทุกวันร <c oughs> วมความระโมทนากับเขาทุกวันบาปมันก็สั่งสมตัวเองแล้วบาปอย่างอื่นก็มีฉะนั้นบาปที่ติดตามมาก็ถามเธอว่านอกเมื่อบาปมีอย่างนี้แล้วอยากจะทราบว่าในสมัยที่มีคิดเป็นคนอยู่เธอทาบุญอะไรไว้ เฮ้ก็ตอบว่าเรื่องบุญนี่ไปเวลาทํายากก็มีโอกาสบ้างบางทีพระมาบินาบาทในตลาดบางครั้งก็ได้ใส่บาตรบางครั้งก็ไม่ได้ใส่บาตรการใส่บายก็ใส่บาตรเป็นธรรมเนียมมากกว่าเห็นเพื่อนเขาใส่ก็ใส่ <c oughs> ที่จะมีความเลื่อมใสจริงๆก็ยาก เียกว่าใส่ตามประเพณีตามพื่นเขาเมื่อเพื่อนเขาใส่เราไม่ใส่บาทเพื่อนเขาก็ว่า <c oughs> ก็ใส่มาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใส่ทุกวันถามเถื่อว่ามีเวลาฟังเทศไหมเจดก็ตอบว่าไม่มีเวลาฟังเทศ <c oughs> เวลาไม่ว่างขอดูภาพเดิม <c oughs> ้าพที่เป็นมนุษย์คุยกันในฐานะที่เป็นนางฟ้าเธอมาสวยมากไปดูภาพเดิมของเธอก็เป็นหญิงที่มีอายุมากตายเวลาอายุประมาณจะหกสิบปีเศษเศษนิดหน่อยตาผิวขาวร่างใหญ่ทัศ น, น์หน้แบนดูลีลาแล้วก็เป็นลูกจีนลูกจีนชัดๆัด ถามเธอว่าเธอเป็นตึงหนังเกียร์หรือหุณนั่งเรื่งตึงนังเกียรเขาข้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเธอเป็นลูกครึ่งพ่อแม่เป็นไทยพ่อเป็นเจ็กแม่เป็นไทยแล้วพ่อเป็นเจ็กแม่เป็นเจ็กเธอก็ตอบว่าทั้งสองเจ็กคือพ่อเป็นเจ็กแล้วก็แม่เป็นจีนนี่กหมายความว่าพ่อเป็นเจ็กคือผู้ชายก็เรียกว่าเจ็ก ขาวผหญงเขาเรียกว่าจีนเธอก็พูดมีตลกตลกุ้ึกสิคนนางฟ้าคนนี้ใจดีพูดได้ยิ้มตลอดเวลานี่ดูถึงภาพเดิมของเธอนะก็ถามว่าการที่เธอมาเกิดเป็นนางฟ้าเพราะใส่บุญอะไรสำคัญมากที่จะเป็นเทวดานางฟ้าแล้วเทวดาบนสวรรค์ช่านดาวดิงได้มันยาก เธอก็ตอบว่าบุญสำคัญมีสองอย่างนั่นคือถวายสังฆทานเป็นปกติแต่คำว่าปกติไม่ได้ทำทุกวันและประการในสองมีพระองค์หนึ่งท่านแนะนำให้นึกถึงท่านก็เลยสงสัยว่าท่านแนะนำให้นึกถึงท่านในลักษณะไหนถามต่อไปว่าขณะที่ไปหาพระเนี่ย ในระยะที่พระอนึกถึงท่านเป็นญะยะความเป็นสาวและเป็วัยกลางคนแล้วค่อนข้างแก่แต่ก็ตอบว่าในขณะที่ไปหาพระนี่อายุค่อนข้างแก่ตอนนี้ขายไม่ออกแล้วไม่มีใครต้องการถ้าจะขายแถมเงินให้เขาด้วยก็ไม่มีใครเขาเอาเพราะแก่เทถามว่าพระให้ให้นึกถึงท่านทําไมละ่ะ ในเมื่อเธอไม่ใช่คนสาวแล้วพระท่านคงไม่อยากจะแต่งงานด้วยเธอก็ยิ้มเธอถามว่าพระแต่งงานได้หรือก็ตอบว่าตามปกติของพระไปใน ง, งานแต่งงานได้คนเขาแต่งงานกันเขาเชิญพระไปในงานแต่งงานเพราะว่าพระไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวเธอก็ตอบว่าการที่ท่านนึกถึงแล้วมันเป็นอย่างนี้จะเล่าบระวัติให้ฟัง เํบาบอกว่าต่อมาระยะที่เป็นคนแก่เวลาออกจากงานจัดปลาจัดให้ลูกไปทำแทนโตเธอก็ไปจัดการควบคุมขายเข้าแกงหาบไม่ยอมตั้งร้านเพราะตั้งร้านมันต้องเสียภาษีมันต้องยุ่งยากมากต้องรองคนมาซื้อ ตอนนี้เธกรจัยการวิเสตที่ไหนบ้างที่เราจะขายไปประจำเวลาตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นที่นั่นก็หาที่ตั้งเตาตั้งเตาสําหรับอุ่นเป็นซึ่งสองซึ่งอุ่นข้าวเวลาอุ่นก็อุ่นสองทางให้มันร้อนตักซึ่งนี้เกือบจะหมดก็ข้าวใส่รียกว่าตักซึ่งนี้ขายข้าวร้อนเสมอแกงก็ร้อนเสมอ รลตั้งหมอ้อหม้อ น, น้ำลูกใหญ่ๆไว้สองสองเตาให้น้ำเดือดจานที่จะใส่ข้าวก่อนที่จะใส่อาหารให้แก่คนรับประทานต้มเสก่อนจยในน้ำเดือดหยิบออกมาจากน้ำเดือดเขาสั่งอาหารใส่อาหารให้เขาเขาก็ไว้วางใจถามว่าตอนหลังนี่ลดราคาหน่งบาทหรือเปล่า แค่บวกการลดราคาหนึ่งบาททำได้ระยะแรกแค่ตอน ก, นกลางๆตอนหลังนี่เกิดอารมณ์วิษยาจากคนอื่นเขาหาวักหน้าเขาเกือบจะมีเรื่องหลายครั้งเลยไม่ลดหนึ่งบาทขายและขาเท่วเขาแต่ว่าข้าวมากกว่าเขาอีกประมาณห้าสิบเปอร์เซนแกงก็พ่่มข้าวเรียกว่าโชคต้องทดลองก่อน ข้าวขนาดนี้ใช้แกงขนาดนี้พอไม่จานลงไปเห็นพอดีลองกินดูก่อนถ้าเท่านี้พอก็จัดสูตรนั้นระดับนั้นการทำแบบนี้เป็นเหตุให้เธอฐานะดีขึ้นมีคนมดประจำมากและนนระยะนั้นก็ในขนาดที่มีเรื่องวุ่นวายมากๆมีคนเขาแกลงแกล้งเขาหาหักหน้าเขาก็พยายามหาหมอดู หมอดูมีที่ไหนไปที่นั่นถ้าหมอดูเป็นพระโดยมากนิยมหมอดูที่เป็นพระพระราคาไม่แพงจะให้เท่าไรท่านก็ไหวไม่ว่าจะไม่ถวายเลยจึงไม่ว่าก็เลยนิยมไปหาหมอดูทุกอาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งไปหาหมอดูครั้งหนึ่งการไปหาหมอดูครั้งหนึ่งก็มีบิณฑบตไปเท่าหนึ่ง ก็มีข้าวไปหม้อย่อมย่มอมเพาะหนึ่งหม้อเอาแกงกับเพื่อขนมใส่เป็นโตแล้วก็มีหม้อเขียวใส่ข้าวไปไปถวายพระเวลาเพลินพระทันชันไหลโอเวลานั้นก็ไม่ทราบว่าปเป็นสังฆท า, านแต่จริงๆแล้วเวลาตายได้อานิสง์เขาบอกว่านี่เป็นอานิสงสังฆท า, าน ก็ถามเธอว่าอนิสงส์ใหญ่จริงๆที่เธอได้คืออนิสงส์ทางกาทานอย่างเดียวหรือเห็นว่าภาพภาพที่เป็นนางฟ้าเธอผ่องายมากเธอก็บอกว่าไม่ใช่มีภาพกรรมฐานด้วยคือทำสมาธินึกถึงพระก็เลยถามว่าเธอปฏิบัติตังขณาจารย์ไหนเธอก็บอกว่าไม่มีขณาจารย์ เป็นเดียวกันว่ามีพระองค์หนึ่งท่านดูมั่นมากท่านดูทางไหนเขาวาดูทางในใช้สมาธิดูเวลาถามท่านในกรหลับตานิดหนึ่งแล้วท่านก็ตอบท่านตอบมาทีไรถูกทุกทีต่อมาท่านก็สั่งว่าโยมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสนดวกโยมมหารมาทุกอาทิตย์ แล้วก็ขอมาถวายพระธุทิอศอาตมาก็ขอโมทนาด้วยดีมาก <c oughs> แต่ว่าถ้ามีอะไรขัดข้องเอางี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการช่วยจะได้ง่ายอาตมาใช้วิธีดูทางใจโยมก็รับทางใจตอนนี้ไปถ้าเวลาโยมบูชาพระให้นึกถึงภาพอาตมาสักคราวละสองนาทีก็พอ ถ้าเพียงเท่านี้การดูการพยากรกับการช่วยเหลือจะเป็นได้ดอง่ายเพราะใจตรงกันเธอกระหวังเรื่องกายแค่ให้พยากรให้แม่นนึกถึงพระองค์นั้นเป็นปกติท่านสั่งว่าหลังจากบูชาพระแล้วนึกถึงท่านสองนาทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันนึกทั้งวันทั้งว่างอยู่ก็นึกถึงหน้าพระองค์นี้แล้วขนาพระองค์นี้แต่ว่าไม่ใช่นึกในด้านการมารม นึกนิยมในความแม่นในการดูของท่านและใจก็ดีหเราะต่อกระซิบเสมอไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเธอบอกว่าอาศัยกำลังใจที่นึกถึงพระนึกถึงแบบเบาๆเมื่อนางขัดสมาธิเขากับเขาแต่มันนึกถึงได้ทั้งวันทุกวันก็มีเรื่องอะไรปั๊บก็บันทึกเราจะไปถามพระอย่างนี้จีตก็นึกถึงพระ เมืมีเรื่องอะไรขึ้มานิจเราจะไปถามพระท่านเป็นที่คือปรึกษาได้ดีเรื่องการค้าการขายการติดต่อการงานติดต่อกับคนท่านบอกได้ถูกต้องหมดตอนนี้ละจิตเป็นสมาธิในสังขารต้องติดกรรมฐานแบบไม่รู้ตัวแต่ก็บอกว่าจะถือว่าเป็นชาญหนักก็ไม่ได้กําลังใจเป็นแค่อุปจาระสมาธิ ตายจากความเป็นคนก็เป็นนางฟ้าในบนสวรรค์ชั้นเดีวถึงสถิติวโลกมีวิมานแก้วสามรศการเป็นที่อาศัยเป็นนางฟ้ามีนางฟ้าห้าพันคนเป็นบริวารวิมานสวยมากสว่างมากก็ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานของเธอดูได้ไหมเธอก็ตอบว่าได้เธอก็ให้ให้วิมานลอยเข้ามาใกล้ พอวิมานรอเข้ามาลอยเข้ามาใ ก, กล้ๆก็เห็นว่าไอหม้อเขียวที่ใส่ข้าวเป็นโตของเธอมันแขวนรอบวิมานหมดแต่หม้อเขียวไม่ยังเขียวเป็นหม้อทองคําประดับเพชรแพรวพ์เป็นยับอินโตก็เป็นโตเป็นโ ต, นโตทองคําประดับเพชรเพราะแต่ไสังฆทานอาทิตย์แต่ครั้ง ไ, ไม่เจอเรื่องเล็กก็ถามเที่ว่าเธอไหยสังฆทานกี่ครั้งทําไมมากขนาดนี้ เธอตอบ ว, ว่าปริมาณของของที่แขวนนี่มากกว่าเวลาถวายเท่านัจึงที่ถามเทว่าในเมื่อเธอถวายไม่มากเท่านี้ทำไมของแขวนมากอย่างนี้ก็เป็นการหลอกลวงนรซิเธอก็ตอบ ว, ว่าไม่ใช่ให้ดูเรื่องราวของรัชเทวิติดารัชเทวิติดาเนั่นเธอถวายเข้าเข้าพระมหาจะสุเพียงขันเดียวและครังเดียวเขาตอบ แล้วก็ตายทันทีจายตายจากความเป็นคนไปเกิดบนสวรรค์ท่านดาวเดืงสถิตวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าเนียงพันเป็นบริวารและรอบรอบวหมายของเธอมีขันทองคําเต็มไปด้วยขต่อทองคํารอบวิมายกะนั้นรัชชาเทวด้เธอถวายครั้งเดียวในชีวิตก็ฉันตอนแก่อายุประมาณห้าสิบปี อย่างนี้ทำสงฆทานทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งก็สี่อาทิตย์บ้างห้าอาทิตย์บ้างกระมวความว่าถ้าอย่างน้อยฉันก็ถวายสังฆทานเดือนละสี่ครั้งแต่ความจริงไม่รู้เรื่องเลยว่าสังฆทานคิดแต่เพียงว่าพระท่านเป็นหมอดูเราไปให้ท่านดูค่าจ้างก็ไม่มีท่านก็ไม่เรียกไม่ร้องอะไรทั้งหมดแม้แต่กาแฟหนึ่งถ้วยถึงจะไม่เรียก พระองค์ น, นี้ไม่เคยรบกวนเลยเห็นหน้าไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคิดว่าท่านดีก็เลยตั้งใจถวายท่าหากัท่านและท่านก็ไม่ฉันองค์เดียวท่านฉันรวมกันห้าองค์บ้างเจ็ดองค์บ้างบางทีก็ถึงสิบองค์พระที่มาให้ดูการถวายอย่างนี้เป็นสังฆทานไปในตัวที่มีเมริสอง์อย่างนี้อรบันดาญาจูมพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาที่ตั้งไว้ไม่ถึงนาทีนักก็ขอลากร อ, อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุณพนจงมีแด่บรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกตั้นสอสด <c oughs> สวัสดี <c oughs>